ท่อนเตัวทนการเปเรียบแมันการแยดีขึ้นมากเลยเรื่องเงินที่อะไรเป็นเป็นขอกาย่างก็การนโยบายดีขึ้นมากว่ะมันกำแรงเป็นคนดุงยากจัดหมากหน้าลุกขึ้นมทั้งลุกขึ้นมา นพินาดีอยูนะ่ลับเหอนนี้ครับมีคนเดินไครับเพาะท่านนาดีกันคือมบางคุยอรกมผม็คีขมอกมี้เาบอกเขมี โรนี้มันจะโรคที่ใรนยุ่งนคำว่าใัศวิบัตรในงานปิดใจดีอยู่แล้ ว, แ ล, วะะแล้วครื่งองมาท่านก็ประคับประคองโรคอนนี้แต่กนเือความมพื่อความต้อ ง, องิดใจท่านอีกคนอื่นนีนทนํานาำได้แล้วเนีาหมดแล้วมันมีที่ทัานจะ ด, ดีขึ้นเพราะคนอื่นคนใด แม่ก็หาประจักษ์ตัวามที่เกิดรักษามอมารักาท่านแต่เขาเ้าใจท่านจะดีขึ้นหรือมไม่ไ้จะมา ย, ยอกแลย่ำทาทัานก่อน็อคุณหมอของจะหอยู่ในเรื่องเรื่องกรรมฐ า, านด้วยโกกรคล้้วนกลนุ่มแล้วจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมล้้นแดงตรงนี้เป็นตัวนนการา ก็จะดำเนินไปอย่อย่างนั้นพอพูดการความจริงแล้วไม่ขวรเพราะโลกนนี้เกิดไกับผู้อย่างนี้ไม่แค่เกิดกับคนทั่วไปเกิดบพระปฏิบัติพระปฏิบัติกรบพระพูดสมควรที่จะปฏิบัติต่อโลกคนนี้ได้ดีอยู่แล้ว ด้วยามัทกำแผกัวอย่างเพระว่านี่ก็ปกติมคนหมอเขามมาเริ่เริ่มยกนี้อมาดหมอนหม้อยกนี้หมอนนั่นอ่เราอะไรอยน หมอของระาคุณมาต้องนั้นต้องท่านาำต้องนี้ต้องนั้นต้องมีแบบว่าท่านที่ท่านจะรับประดุษต้องร่วมเดินทางเขย่าร่ว้โยกอะไรกับปลาใหญ่นะมันก็มาทำลายกรมข้ามนะของลูกหูมันการกินเห็นว่าไม่ควรกินเถอะน้องนั่นนั่นจะแตกกระจารอยู่ อะไรอหมอโรกหมดนะฮะเอ๊มจะเขาหนิหมดไม่ชอบก่คุ้มไม่คุ้เลยหมอได้ห้อก็มีอยู่แล้วมาตรวจการตอนหมอก็มารึไงดูว่าท่านท่านแดงเพิ่งมารงพนาบาลยเขาเข้ารู้ดยรืองยเขามาทานไม้ก็ปรับใจเขามาลุ่น ปิบัตินัเดยที่ออ้องอลมาเก็บอกดีนู่เดียพรโรคน้รกของคนคนเดียวนะกาปรปฏิบัติเพราะท่านมีเดียวเหมาะผมก่อพุ่ยเขาทยุเป็นงไงยาะยุเป็นยังงระวังเราหาเป็นนรกเดีวนี้นะ ม, นนน ม, มันก็มีอยู่ลมกใครยุ่ออกงกับเาพาไม่ได้ เพราะนักภาพเ็นความเมาสมกับความอยู่คนเดียวเกี่ยวกับโลกนี้ท่านแบรต้องมีความรู้สึกพยามเดียวกันนี้กลเพป็นนั่ถึงแมนเวลาจะเปลี่ยนแต่งท่านท่านแบบนตเป็นประยอื่นเหมือนอย่างเราที่เราเห็นด้วยแล้วเราแง่ไปด้วยนมันย่งเนแต่มากนราัเอะรพูดถึงความนี้กันเลยพูดถึงมาก ทานก็บอกว่ากินที่ท่านทำลายอยู่นั้นตลอดเวลาท่านวางถูกล้องแล้วเหมือนที่มันอยู่มันเรียนนานถูกต้องแล้วแล้วก็ไปยุอนยุ่งภายนอกมายุงท่านมีตะกินเขาพูดก่ามันอยู่มีการปฏิบัติต่ออันเป็นมอที่เยี่ยมทีด้วานี่เพ่ดแล้ว มันเนีรื่องง่ายมั น, น, ออ น, ปม น, นเป็นแรงธรรมดาตอบเนี้พัสสเด่นนี่เองโลกนี้นจะเป็นเหมือนๆกันเนี่ยใครก็มีการ น, นี้ก็ทกะทบอะไรนี่ไดเดีย๋ยวมันก็มางนี้ต้องหลูดหลวมขึ้นเราข้อใจแรงตอให้เราเป็นุนก่อนการนี้มันเป็นภาวะตอบเปนข้อตึงกา ระหว่างคนโดยภัยต่อทั้งผู้ใหญ่ผู้โตกบฝ้าม้าก็สัตว์ได้ด้ น, นั่นโรคนี้จะไม่รับกัรตวจลยจากคนภา น, นอกพอดะทำลายหมาด้ยวยโรคที่เรยาว่าการหย่อนรอดสิ่งนี้นี้นนน แต่อ่าขันยาตรงนี้เราคนเราขันนพวกตัมเนือเป็นหนังอะไรเนี่เขามันต้งทำอะรล้าแฉกบกติดเราอโลกนี้ครับขึ้นอย่างนี้ถ้าพูดถงรว่าเอาภาวนาเป็นกลุ่มใหญ่โม่ใหอย่ารงนี แต่ดูกับนักภาวนาทีนายยิ่งเปทำขั้นละเอีดขั้นละเอียดแล้วมันก็พอปฏิบัติกันปกติคนในโลกแล้วมันก็แค่ค่าร้อยแปดเอร์เซ็นต์ไม่เห็นเป็นค่าสุขภาพเค่าสุข้าพมันยังแบบที่ว่าที่ขาดท้องเลยมันคอกั้นที่แบท้หมือนคอยกตัว เราแตจะขยับายนะมันเหลือเท่านั้น เ, นเองท่านยิ้มเลยใช่ไหมคนจะใจดีนี่ห ม, กเกหมดเจริธนาเจริธนาหมดดับมดใน่เหลยคือร่างกายหมดความรู้สึิดถอนความรับผิดช อ, อบจากอากาศตันต่างๆเข้าสู่าคาเนฮมันก็เป็นกระทอมันก็ทะไร ไม่เชห่อหูแน่หรถ้าหนวกเราอูดหูมันจะดีตาบอดก็มองไม่เ็นอกมันก็มองเห็นดำข้างในมือเราเราหลัการาจะมองเห็นกมึกอของเรานี่ยนี้มันเลยทุกสีอย่างในขนาดที่มันถอนควารับผิดชอบนั้นใครจะมาตัดแขนมันตายก็เหมือนตัดไม้ตัดขนอะไรก็ผิดอะไรรู้ จากนี้พูดตัวล ไ, ไปเลยไม่มีเรื่องเกี่ยวขดเพราะมันถอนหมดแล้วมันไปสะสมรูปภัยมาแล้วนี้แก่โอโอโอโแทั้งขาคุ้ไมไ้หื่หมายถงว่าคุ้มได้แล้วคุ้มเองความถอนทัท้วดเข้ามาตอนนั้นขึ้นมาเข้ามาเพราะมันทุกเวรทินนาก็ดำมั้งเพราะร่างกายหมดความหมายทุกเวรทินนาก็หมดความหมายโดยความหมา มันเนรู้ได้ทาคนะการที้พุกคนานับถ้ามีสติบางอันนเน่าจากมิเหษติไม่เลยแล้วมีวิตลอดเวลาที่ทำอไรจะไม่รู้ววมมันคือระยะอะไถ้ามันตอดหมดหรือวเข้าไปนั่นนั่นอ่ะความมันแล้วนั่งข้าวามนี้ก็เป็นไปเป็นกิโลนผ่าน ทั้งครังปุมขึ้นมาตอนหนักตอ น, น, ตอ น, นหลักหมดทุกอย่างหั ห, หมดแล้วแล้วจะลุะล้นดาเรื่องอะไรืมจุกกยเดือดปุ่มได้มุกกระยิบเดืออัากรปาอัรากะป๋านวยางจอืมอัตรากระปาช่วยกะปานความกำหนดลงไปนี่แท ท, ที่จะเป็นกำลังช่วยกระป๋นมันเลยเป็นกาลัง นั่นเป็นควารู้สร้างเรามากไปหรยอนี่ตึงอย่งนี้มากไปหรือก็อยู่ที่พอคนรับผิดชอบมสร้างไปจิลปศาสตต่างๆพวกร่างกายเราพวกเคยทำงานข้นตัวนี้กแตงตึงห้ดพอลุกขึ้นจากส่วนนจะลุกไม่ได้ส่วนจะแค่ ก็ร่วมพระบประตูเนี่ยพอพระได้ินเสียงเราอาเกียนขาอาเกียนเสียวมันโผว์ดังเหมเสียงฟ้าคนนึ้นกาลังคนะตาแล้วเคงสิงกาลังของอำนาที่ทาให้อาเกียนนั้มันแรงพุ่งจนติดฝาลงมะอาเกียนนั่มันแรงนี่ขนาติดฝาที่ดูคนมันไม่หมดเรามันจะไม่ตายอย่างนั้นได้ไหมันจะตามเรวยการอาเกียน พุ่งพุ่งแล้เต้นขึ้นพอดูอาเารย์มันเข้าทางขื่อเลยรู้มันอยู่ทุกรายะมือเอรไม่ทราบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นนั่นการก้าวกระโดดเรด้วยถ้าเลื่อนทั้งนั้นยับทั้งนั้นเขาเป็นว่าไปเลยนั่นเลยประหลุ่ น, นี่มันถึงแค่98ต 9.8 นี้่ 9.8 นี่มันมันรวมเข้าไปอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่รวมเข้าไปอยู่แกอนเดียวเหมือนอย่างนั้นนะรวมเข้าไปนีนม่มันมัอนหน่วยอยู่ตรงนี้หมดอะไรอะไรต่งนั้นมันก็หมดความหมายไปมันยังมีความหมายอยู่ตรงนี้นะอ่อนเต็มที่อ่อนเพียเต็มที่อยู่ตรงนี้นะมันยังไม่ปล่อยตรงนี้มีเวทนานี่ยังความอ่อนเพีย ห น, นึ่งนมันรวมเขามนออันนี้แต่ก็ก้าเิบแปพอมันปล่อยนี่ปั้มก็ก็9สิบเ้าเลยก็าเก้าไปอันนี้มันแค่เก้าสแปโลกนี้ปนยังไม่เคยเลยเก้าแปขาดที่ลเกิ่มิบะปดที่สามปีลงมาที่เจ็สิงหาสองเก้าสิบเก้างนี่ยนะลงมาบ แล้วก็การสืบนื่องแล้วถเรียนรู้แทร็คเนี่ยอาบปฏิบัติคุณกล้าสังิมเห็นราชการตัวเองมันไม่หวังพึ่งใครทั้งหมดนี่ตัวไม่หวังพึ่งใครไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นอ่ามันจะไปเกาะไปเกี่ยวกัว่านนี่เอานั่นมาช่วยนี่มาช่วยมันไม่เคยเพราะงั้นนี่ว่าใครมีเกี่ยวข้องไม่ได้อรือเราเนะ๊าะ เมื่อหลังพึ่งอะไรแล้วใครจะไปยุ่งอทําไมนอกจากจะไปกาะความลำพังเท่านั้นตอนหลังพึ่งมันก็จะเกาะมันมีความหวังจะกาะอยมันกับหลังพึ่งก็เข้ามาได้ผู้นั้นมาช่วยเป็นที่พึ่งได้ไอ้นี่มันไม่ยุ่งเลยไม่เกี่ยวเลยเัลเป็นน้ำมันเข้าไปแล้วอะไรจะเข้ามายุ่งไม่ได้นะคือมันไม่หลังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้แต่นี้มันก็จะปล่อยอยู่แล้วนี่มันจะหลังพึ่งอะไรเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามายุ่งไม่ได้ให้มันทําหน้าที่ของตัวเองอยเดีย จะไม่เท่ามันจะหมดกาลังมันอ่ามันจะหายมันก็หายมันไม่หามันก็แปมีขนาดนี้มันก็แปลก่มันมันัเห็นมีมีตัวนี้อย่างไรมันจะไปอยู่นะมันมีอะไรเฉยธรรมดาอย่างไรเป็นึ่งไรอย่างที่ดูรถมันพาลงถนนบ้านน้องยานโด่งอะนะ สอบอกมสามสิบเมตสามสิบราคากลับมามาดูาาดวดวาาความสูงเมตรสามสิบแล้ ว, ม, ว, ม, ว, ม, ว ม, นนมีบุญนู่นโอ้ยทไมเป็นนี่ล่ะฮวงการกันมันเลยตปมันบึ่งบึงกงบึ่งกงนเลยเลี้ยวโคกเฉยๆก็ไปไปชนนอกคนาอยู่คนา น, นู่น มันกเฉยเฉยน่ะแปลถ้าทุเมื่อว่าตายมันก็จะตายแบบนั้นแ่ะแต่ติดตืดน่ะไม่เห็นตจาร์กลัวเป็นกลัวาตายกลัวเจ็กลั ว, วป่วยเลยเลอยดูไปนั่นเยดูมะนทุเรามั น, นมเป็นตายมันจะตายแบบนี้มันมีตกอตกใตื่นเตะนเเป็นปันมันเองนี่ อยู่กับรถหลายของเงินแล้วผมแต่ก็ดีครับเอี่นะเรื่องกันน้ไม่เหนือยมากันนี้ไม่ได้คุณมาแต่ระยะน่งค่อยเบาขึ้นค่อยดีขึ้ก